สิดัชกกาห้าร้อยสผมได้มารวมในงานที่เพื่อนที่จุตสมเนรที่กาลังอกรมหรือศึกษาปฏิบัติธรรมในขณะนี้ผมจะเล่าประวัติเรื่องโทมเป็นมนอเฉพาะของผมครับ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 มันก็เลยออกจากความคิดบอดได้เมื่อออกจากความคิดมาดได้มันก็เลยพาเราลู่ไปครับอันนี้เป็นวิปัสสนูครับอันนี้ปัสสนูวิธีที่แก่นั้นผมเนีไม่เห็นผมคิดเมื่อมันคิดปุ๊บผมเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บอย่างนี้ครัอันนี้ปัสสนูก็ค่อยลดไปลดปจรวนลูนมันก็เลยค่อยหมดไปหมดไปครับอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างไรง่ายครับข mm hmm. อตัวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังอีกเพื่อนึงครับ คือพิธีเป็นนิปัสสนาครับแต่ห้ามเรได้หรือบางคนอาจจะห้ามได้ก็ได้แต่ทุกคนต้องเป็นผมเข้าใจและผมเคยสอนกันมาหลายคนครับทุกคนต้องเป็นครับบ่มากกันน้อยครับและตัวบุคคลที่จะเป็นน้อยเป็นมากกันเป็นว่าเป็นหลายพอดีมันเป็นนิปัสสนาเนะครับอย่าไปห้ามมาเลยหัคิดถ้าไปห้ามเนี่มันจะเกิดอึดอัดจิตใจครับมันจะอยัดหนีทันทีให้มันเป็นโยคะธรรมสร้างนั้นครับ แต่หาผู้ที่จะเป็นคูเป็นอาจารย์ผู้ที่สอนขาเจ้านีออ่ยปล่อยมันเป็นแต่หาต้องไปรักษาบนนี้ไปรักษาไป อ, อื้มไปจับอยู่ใ น, นบนนี้คือไปรักษาคือย้ายมันคิดออกไปนอกแนวคิดกับตั้งมันต้องบอกกันแต่ว่าคิดแ ล, ล้วก็แล้วไปยัดไปสนใจกับคมคิดคมคิดน้ำยางมาบกบวเกินห้ามือครับผมเคยสอนมาครับคนคิดนั่นจะลดลงลดลงลดลงมันป็นเลยเป็นปกติครับเมือ่อไม่เป็นปกติเราหามาแนะนั้นข้าเจ้าเบิกคมคิดดีครับ เหาเข้าใจว่าวิปัสสนูมันลดน้อยลงไปแล้วมันก็บ่ญมีทิฏฐิข่าวกําลังมันเป็นวิปัสสนูอยู่หันไปวิวให้มันฟังมันวกฟังนะครับมันทีเอาจะอํานาจของมันเพราะว่าทิฏฐิอันนี้มันมีมารณ์วิปัสสนูที่มีมารณ์มีทิฏฐิกล้าแข็งจิตใจมันเบ้ออ่อนโยนจิตใจมันก้าแข็งมันสามารถถกเถียงได้หมดมันเป็นอย่างไรดังนั้นผมเป็นมาแล้วครับโดยคนเป็นวิปัสสนูจึงบุญเขาจับวิปัสสนูครับ ผมในขณะดผมเป็นนะผมบุู้้ขาจับแต่เทผมอุปหมายสังเมื่อกับคนกินเล้าเนี่ครับกินเล้าเนี่มันเมาแล้วไปว่าไปเนี่ยอย่าต้อกินเพท่าเมาแล้วเล้าเนียวเยคนที่เมาเล้านี่ยบ่เมาบ่เมากูบ่เมาหรือใครบ่เมาหรือผมบ่เมาเอามาให้กินยิ่งกินก็ยิ่งเมาครับมันเป็นอย่างสังกับฤทธิ์ศาสนาเนี่ยก็เลยบรต้องห้ามมันให้มันเป็นเป็นกังใจแล้วเขาพยายามบอกมันให้มันเฮ็ุจังหวะเข้าเดินจังหวะเข้าไป หรืมันบอให้จัไไนวาก็ได้บอกโดยจนคงก็ได้เจ้เขาค่อยๆมั่นพูดมันคุยไปแต่บางเือนเอาขมวดน่ะมาอวดเขาตัวกระฟ้ามันเขาจะไปถือฟ้าเพราะเขาฮู้เลยเนี่ยครับจึไปสอนเขาเขาบอกเขาจะไปสอนเขาเจ้าได้บอกเขามันต้องฮู้แท้ๆได้ครับเรื่องนี้ครับ <c oughs> ผมจึงสามารถแก้ดีปัจจุบได้ผมมองว่าจากผมคิดผมก็เลยแก้ได้อันนี้เรื่องวิปัสสนาครับให้เขาผู้จักคนเป็นี้ปัสสนานั้นถ้าหาว่าเขาที่ไปให้เขาเป็นถึงนะพอดีมันรูปรูปนั้นล้วะกับ โดยให้มันไปเหตุการณ์ให้งานอื่นๆคุณถามมันถามตัวเรื่องรูปนามเท่านั้นเดี๋ยวครับจะไปสนใจเรื่องผมรู้พยายามถามมันลมเราถามมันอยู่เรื่อยๆไปมันก็เลยค่อยลดลงไปไว้ครับอันนี้ก็จากนั้นแต่ตอนรู้อันนี้เลยครับอันนี้ตอนรู้ที่ผมคิดแล้วนี่นะเหารู้ผมคิดเหาเห็นผมคิดเหาแล้วอันนี้รู้มันคิดขึ้นมาเห็นเหารู้เหาเข้าใจมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บหายไปเไปเท่แรกมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมเองอันนี้ครับ ผมเดินจมกมผมย่างว่าตั้งแตได้ครับย่างไปใครๆจะมีคนมาซดผมนี่ครับแล้วคนมาถักดันผมรูปนึงผมว่าเห็นครับเมื่อเห็นผมคิดผมก็เคยเบื่งผมคิดผมจับเทือครับเมื่อผมรู้อยู่ไหมเทือกอีกต้นผมบอกหูเทือที่สองนี่มันมาเป็นสาน่อผมคิดในผมซอกผมคิดมันว่เห็นเมื่อผมคิดนี่ครับมันก็รูปเขาเป็นหลางๆเทื่อที่สามนี่มันคิดว่าโอ้มันอยู่นี่เนี่ยผมคิดในผมเลยมาเบิ่งผมคิด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 ตัวทุกขังตัวอันนี้จังตัวอนัตตาตัวอีนทรียบทตนั่นเนี่ยครับตัวเคลื่อนตัวไหวตัวหนิงตัวเตียงตัวพับตาตัวหาใจตัวอ้าปากตัวเลืกตัวคิดนี่แหละครับเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอันนี้จังเป็นตัวอนัตตาเป็นอันเดียวกันหมดครับอันรู้อันนึกล้รู้หมดครับผมรู้จังัจครับบาดนี้ผมมาเห็นผมคิดตัวคิดนี้นะมันเป็นตัวอริยสตรต่ผมเข้าใจอย่างจังครับแล้วผมมาดูผมคิดมันคิดปุกเห็นปั๊บมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บยู่อเนานครับอันนี้ ว่าทันไหนคล้ายๆคือผมอยู่ห้องมืดครับแับ น, นีผน้ผมนึกพ่ห น, น้าออกไปจากที่มันแจ้มครับมันเลยเห็นไ้มืดแบบนี้หรืออีกในนึงคล้ายๆคือน้ําหนักของตัวผมนี่มีอยู่ร้อยกิโลครับมันพ่วงอยู่ในคอหรือในหัวใจหรือที่รกระตำซ่างล่ะครับมันหนักอยู่ในร้อยกิโลพอเร่ผมเบื่อผมคิดในคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บเนี่ยคล้ายๆคือคนหนักนะมันว่าแต่ลดอย่างน้อยนี่ครับหกสิบกิโลบดไปนเบาเออกไป เบาออกไปอย่างยี่เหลืออยู่ภายในอยา่างยี่สิบกิโลนี่นะครับผมเขาแก้เลยหรือหากว่าตามใจผมจริงๆแล้วผมว่าผมเอาออกโหลดแล้วมันหลุดไปโหลดขับแปดสิบกิโลนะครับผม <c oughs> หนึ่งานาบเนี่ยวันนั้นไปแล้วมันหนักๆแล้วนะแปดสิบกิโลแล้วยังเหลืออยู่ยี่สิบกิโลนะครับผมผมก็เลยรู้จักควมเป็นพระอนิจจบุคคลขึ้นมาโหลดครับโอ <c oughs> ้พระอนิจจบุคคลนี่มาอยู่นี่เด้ <c oughs> อคำว่าพระนี่มันเป็นองค์ซีมันโบได้หมายถึง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 ว่มีโทสะว่ามีโมหะว่ามีโลภะหนักแล้วบัดเนี้่อนี่เทวดาผมเข้าใจอย่างสั้นว้มันมันผิดกันฟอดีไปนะท่านน้อเกิดตีตีกันมาอิจุนแล้วครับเรืนี้เกิดภูมิใจบัดนี้ภูมิใจว่าตัวเองรู้อันนี้เห็นอันนี้ว่าตัวเองเป็นพระได้แล้วบัดเนี้อนี่ควรเป็นพระอนี้บุคคลามาอยู่นี่เด้ควรเป็นพระนี่มันก็ได้มีเครื่องหมายขีดขันคือผู้ใหญ่บ้านกำนันคือครูคือตำรวจทาหารมันก็เป็นนางสันเด้หมายถึงจิตใจพี่เด้อผมเข้าใจอย่าง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 เห็นแล้วมันแล้วไปซื้อให้มาอยู่ซื้อๆนี่นะครับอันนี้คันเหตุได้มันคนท้ามบอดายเดาขับมันมันก็อยากสบายอยากสุขนี่นะครับเนี่ยผมจะบอกปีตีนี่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะให้เฮา ร, รู่ธรรมะเบื้องสูงไปครับมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นปีตีในพระเอองจินตายานจินตายานนี่ผมบรู้จักแต่ก่อนเมื่อผมมารู้จักทีผมรู้จักกินตายานครับอันนี้ินตายานนี่ก็คือกานครับ ปฏิบัติธรรมมาแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เห็นปาแล้วก็เลยลือมาเบื้องอันควมมุ่งทุกข์นี่แะครับมันก็เลยที่เป็นบ้าไปก็ได้ได้ครับปัะเด็นเรื่องมุ่นี้มันเป็นอะไรนละครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆครับบัดนี้ผมมาปฏิบัติไปพอดีตอนเศร้าพี่นะครับบัดนี้ผมมาเดินจมคมหน้าไปย่างมามันก็เลยความคิดมันก็เบาไปเบาไปความสุขอันกว่พอใจมันก็เบาไปเบาไปลดน้อยไปมันมาเบิ้งความคิดที่อึดอัดแหละครับบัดนี้ มาเบิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบิ้งอยู่ที่ละกิเลสตัณหาประธานกับมันเบิ้งอยู่ที่ครับเบิ้งสิ่งเบิ้งอย่างอยู่ที่นะ่มันปกติมันเบิ้งอยู่ที่มันก็เลยมาเหตุผมคิดอีกตืมครับมันเป็นอารมณ์นยครับเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาทีิงว่ารู้แจ้งรู้จริงๆๆครับมันเป็นรู้จำมาจากตำลับตำนานและเป็นรู้จำมาจากครูบาอาจารย์ว่าแม่แท้ๆครับเรื่องนี้พูดเลยทีว่าแม่กับตำร้างผมาผมว่าเชื่อครับผมเสื้อว่าคผมเป็นนักสั่นผมเสื้อตามคนจริงผมเนี่ยครับ บาทนี้อันนี้จินตญาณครับตอนเป็นนิพพานครับต e, ้องเข้าใจผมมาเดินจนกลมตอนเศร้าครับมันเบามื่ครับตนโตผมนี่ครับเบาค่ะคือห่อคือลอยไปนี่แหละครับเบาเมดมันขาดไปเมืมันคล้คลายคลายคือว่ามันไม่มีอย่างทั้งเมืมันเห็นชีวิตเห็นจิตเห็นใจเห็นทุกซึ่งทุกอย่างครับอันเนี้ยนี่ผมมาเป็นอาทีตคันว่าไปตามภาษมดาตัวหนังสือในกรณนอาการเกิดดับ ผมเห็นอันนี้อาการเกิดดับทีตแรกมันผมปฏิบัติอาทิตยนั้นผมพลิกมือขึ้นมันเกิดคว่มือลงมันดับผมเข้าใจอย่างนัดนีครับแล้วกลับความคิดมันคิดขึ้นมาเนี่มันเกิดมันหยุดคิดมันดับมันพลิกตาอยู่นี่มันเกิดมันทับตาแล้วมันดับอันเริ่มหายใจคือมันเป็นเกิดเป็นดับเป็อันนี้โบเมนครับมันแมนแต่ผมเราของเขามันรู้่นจักน้อยครับตอนผมมาหุ่นจับขาดเกิดดับนี่ครับตอนเป่าค่ะผมเดินไปเดินมันหลุดออกไปมดครับ นี่ผน ม, มาหู้จักพราพุเจ้าตัดผมเื่อเดียวนี่ครับพบ้าพเจ้าตัดผมเพื่อเดียวอาจารผมหู้จักอันนี้แทๆ้ๆนับลองร้อยเปอร์เซ็นนี่ยครับอันนี้ครับโอ้ธรรมชาติกดเกิฑของมันมันเป็นยังซีมันก็ได้มีเจ้าของไปเหตุถ้ามันมีขึ้นมาเงื่นอนอนเวอร์ตันหาคือผมอยากครับที่เลสตันหานี่มันเป็นยังสีครับยังผมยังรู้จักค่ะแท้ๆได้ครับอันนี้รู้ จ, กจักคือพระบ๊สงสัยพวกนีดด่ครับอันนี้มันหมดครับมันเป็นปกติคือธรรมชาติมันเป็นอยู่ยังสั้นครับ มันก็เบื้งยาวเรียกมัเป็นอางไรอยู่ตามธรรมชาตร์มันเป็นตามกฎเกณฑ์ของมันแท้เด็ดได้ขับอันนี้อันท้าวโพเลยตัดเัดอันทราพยตัดคมเอาดาบตัดนั่นมันยาวไปโบเทนนั้นมาค่าสองข้อมืออยู่ตามเดิมนั้นโอ้ยอันนั้นมันขำเ้าคุณเรียนมาเว้าเดือดขับอันนั้นอันนี้โบเทนอย่างนั้นรับรองอันนี้อ่มันปากโบออกรับกันว่าขันหูแล้วให้ติดปากเราแต่มันโบเทนติดปากว้าวขับมันเว้าให้คนฟังคนมีปัญญามันรู้คนที่มีปัญญามันบะรู้รับอันนี้ ผมก็เลยรู้จักอันนี้มันมีหยาดขึ้นเป็นว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วมันมีหยาดเกิดขึ้นเยานบอกงอมมีเป็นว่าเปามหนังสือบอกครูบาอาจังก็บอกมันเตินได้ครับถ้ามันเติมได้วยังรู้จักได้หยาดนะครับมันเติมจากก่อนมันหลุดมัดจาก่อนครับแล้วก็มันก็รู้จักว่าว่าแท้ๆนะครับมันเกิดขุมรู้ขึ้นมาจากภายในจิตใจจิตํานึกจริงๆครับอันนี้เรียว่าหยาดปัญญาก็ได้หรือว่าวิปัสนานาดก็ได้หรือว่าที่ว่าหาดยังไก็ได้มันเลยรู้จักขึ้นมาว่าทราบขึ้นแล้วพบขึ้นแล้ว ผมมาจันยุติจบแล้วกิจอื้นไม่มีแล้วเมื่อเท่นี้แล้วกิจในพุทธศาสนาเราทมันรู้จักจริงๆครับเรื่องนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็นครับคันทากูจังที่จีฮาว่าพูดอวดอุจลิมนุษยธรรมนี่เรากระทำแล้วครับผมว่าควมจริงผมเป็นอย่างนี่ครับนี่ครับมันเป็นอย่างซืแต่มันเกิดความสุขเหมือนว่มีในโลกเลยมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ซื้อกับเพราะมันเกิดความสุขอันนี้พมัภูมิใจมันเลิมลืมมาเบิ่งอันว่ามันมันแห้งมันหมึดนี่ครับอันนี้มันเป็นวิปลาส ผมก็ไปเป็นอาจารนี่ประมาณจัดสามสี่ห้านาทีคุณอบะแมนแล้วอันนี้คุณคนนั้กลับมาเบื้องอันที่มันแห้งมันจืดนี่ค่ะบคนนั้มาเห็นโอ้อันนั้นมันเป็นวิปลาสเด้อคุณผมเลยหัวใจวิปลาสครับดังนั้นผมจึงสามารถแก่วิปลาสแก่วิปัสนาแก้จินตญาณไรเพรผมรู้จักนี่ครับมันไม่หู้จักมันจะแก้เต็เนี่ยครับมันต้องหู้จักตะก้อนอย่งว่ามันต้องหู้จักตะก้อนตอนเป็นวิปัสนูนี่ให้มันเต็มค่ะเขาไปส่วนมันว่ามันขุยมันลดน้อยแล้วก็บรปฏิบัติก็ได้มาคอยดูผ้เีย ตอนเก้ยิปตะโนนะครับมันหัวจับเป็นตัวมันหันมันนี่มันเตียงมันเคลื่อนมันไหวให้มันมาเบิ้ลลูกกายได้ยันเด้เบิ่งใจครับคำเบิ้นใจโบได้ยิปตสโนนี่ครับให้มันเบิ่นการเคลื่อนไหที่มองเห็นจับคูกด้วยมือนี้ครับอันนี้เป็นปัญญาแก้ยิปตสโนครับอันนี้ตอนแก้จินตญาณเนี่ให้มันมาจับตัวเฮานี้ให้ห้องหัเมื่อแล้วครับเบิ้นคนคิดทัานอย่าไปเบิ้นคนสุขอันนั้นอย่าไปเบิ้นความคิดทังนั้นอันตอนเป็นมุนี้มันต้องหัวจับปฏิบัตนี้ื่คนมาเพ่งคนคิดได้บอยนี้ครับ ตอนปฏิบัติตอนที่เป็นจินอย่างตอนที่มันหูปละมัดเนี่ยเฮ่งเข้าไปมันมืดมันไม่เห็นเนี่ยครับมันมืดตึ๊ดอยู่ในใจครับมันไ่รู้จักทางไปบ่าทางสักกได้ครับบัดนี้มันหัวนี่มันมืนขึ้นมามันหนาหน้านาตาแน่นหน้าอกครับแบบนี้พวกนี้มันเพ่งครับแต่คนผู้ปฏิบัติท่านขับเจ้าบูรู้จักว่าเขาเจ้าเพ้งเลยครับผมก็เป็นมันคือผู้จับและดันนี้เขาเบิ่งไกลๆครับเบิ่งไกลๆแต่มันคิดให้หัวมือแต่เขาจับตัวเขาไปให้หัวมือ ดังนันคิดไปโนหมับเบื้องไก่ไก่คุณพับเบื้องแสงตาเบื้องไก่ไกเบิ้งไก่ไก้มันออกจากบนมันมึนมันติดมันมึนมันแน่นหน้าอกมันอยากไปเบิ้งมันเบื้องมันหันเขาแต่งตาเบิ้งไก่ไกมันคิดปึกเห็นั้านึกว่เห็นกับตั้งตาของมันครับแล้วก็ học กำมือเยียดมือเดินจมกลมนั่งให้จังหวะอันตราตามหลักให้มันรู้แล้วก็บรรงไก่ไก่ให้มันเห็นมันคิดการมันเห็นครับมันคอยลดไปลดไปลดไปอันให้ทั้งซี่ครับตอนแก้ที่มันหนักอกหนักใจตอนแก้จินยต้องแกลูนี้ครับ จาให้มันลืมควมคิดครับอันนี้ครับตอนแก้จิตยานนะครับม่ง่ายครับแต่มันกับว้าหลายเด็ดขันแบบอันว่าให้การซื้อนี่มันมันกระจำได้ครับเจ้วันตอนไปแก้มันมาแก้มันหักมีควเมวาครับเมื่อไปสัมผัสเรื่องขอผู้จักเองครับของผู้นู้นของเป็นเนี่ยครับเของผู้จักเลยโอ้โหพวกนี่เป็นอย่างดีแล้วเด็วนีเนี่ยแล้วก็ต้องแก้ตามรูปของผู้เป็นครับแต่แน่นอนเขามีคนสามารถแก้เขาจให้ถูกได้เขาจะไปสอนผู้อื่นน่ยต้องรับรองได้จริงๆรด้เครับ ผมรับรองได้แต่แท้ได้ผพนะครับจะไม่จิว่าคุยได้เนี่ยจะไม่คนอวดดีได้เนี่ยครับคนมีดีเอามาวาได้เนี่คนคนมีเนี่ยเอามาวาดซื้อังซื้อๆเนี่ยเขาบอกว่าอวดดีเด้อันคนอวดดีน่นแต่วาแยบแยอย่างนั้นเปาี่ยนเปด้จอยวับผมเห็นครูบาอาจารย์แกอันเนี่ยโอ๊ยม่นแกแต่บ้าบอกจะไหนผมก็ไปฟังแต่ผมักบอบได้วากับขัดใจครับอันนั้นคนอวดดีครับอันนั้นคนอ้วดดีวาซื่อๆอันนั้นแกเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนป่อปเ้าเัล นี่มันเป็นอะไรนะครับตอนเป็นนิประลาดตับวันนี้มันแับจะติดเสียด้คับมันจะติดความสุขมันไปติดความว่ามีตัวนี้มันก็มีที่พึ่งครับผมก็เลยสมมุติให้หมู่ฝั่งล้านเถื่อรื่องนี้คลายคลายคือเขาข้ามข่อข้ามห้วยข้ามหองเนี่ยครับเขาเอาไม้ไปก่ายลาเดียบผมเคยข้ามนํามีครับผมคิดถึงนํามีอันผมไปปฏิบัตินเขาเจ้าไม้ไผ่ค่ายค่ายไปเลยเห็ดขาวบัดนี้นามีเหมือนกวางใน้ไผ่ข้าเจ้าตัดมัาแล้วไปมัดจุกัน มันก่มีหาวจับมันเง้อมาตกหลงน้ำมีปุ๊บหลุดผมเข้าใจนะมันนี่มันมีหาวจับอยู่สองข้างมันง้อไปทางพุ่งกับมีหาวง้อไปทางพี่กัมีหาวก็จับหาวไปจว่าอาดใส่อารมณ์ครับตอนใกล้ดใกล้ดิประหลาดครับให้เขาเจ้าหูวจักรูปน้ําให้เขาเจ้ารู้จักความคิดให้ให้ข้าเจ้าหัวจักอารมณ์ปรมัดที่ทําอารมณ์เปิดกับใจขาเจ้านั้นให้ข้าเจ้าให้มาเบิกอารมณ์ข้าเจ้านี้อันนี้ครับทำข้าเจ้าวางอารมณ์รูปน้ํา วางอารมณ์ปรามัดวางอารมณ์ทำอารมณ์เกิดกับใจนะัจจ้นน่ะเขาจะไปติดกลมจุกนั่นมันเป็นนิปรัชต์งครับมันเป็นคนลืมโตรครับอันมันที่เป็นบ้าครับอันนี้เขาต้องเป็นทังการครับเนี่ยทุกคนเนี่ยครับไม่เป็นน้อยกัเป็นมากนะครับผมก็เป็นแต่ผมกักมันโชคดีซื้อผมผมมาโชคผมดีครับโชคดีจังไจโย่พอดีมันเป็นไปแล้ผมลืมผมไม่ได้มาเบิ้องอันอารมณ์ทำอารมณ์เกิดกับใจผมไม่ได้มาเบิ้องอันนี้พี่นะครับ ผมผมว่ได้แบบองบนอันมันแห้งมันจืบมันหมดเนี่ยอันมันเป็นปกติเนี่ยผมนึกว่าได้แบบเบืงอันนี้ผมปกติขมสุกอยู่นะครับบ้านผมมาสมมติตได้ผมกลับมาเบื้องบนนี้โอ้อันนั้นมันมาลอกหลอกแม่นหรือเราเป็นปีตีกับแม่นเราไปติดอันนั้นเล่นมันก็เลยแม่นเป็นหมึดขับเปนคนลืมโตไี่ครับอันนี้แหละเพื่อนว่าคนลืมโตนั่นคือคนตายแล้วเพื่อนว่าตายแล้วจะไหนเจ้ามันบุญู้จากโตเองกับคนลืมโตตลอดคนตายได้มันเน่ามันเม็ดออกไปทิ้งได้อันคนตายเ่าทัน มึนลมหายใจได้ครับคนเป็นบ้านนี่นะครับมันพูดซั่วมันทําซั่วมันคิดซั่วมันไม่มีอายครับอันนี้เป็นกราเอิมคนตายนะครับจะมาเขาจาสู้ไปตายอย่างซันครับถ้าหากก็เลยตายอย่างซันแล้วก็มันหมิดแล้วครับมันเปียกแต้มันเน่าครับแล้วขออนุญาตนะครับบางคนมันบุกอยากมีใครๆคือตัวนอดนะครับมันอยู่กับอุจจาระมันอยู่ที่เน่าที่หมิดนะครับผมเคยเลี้ยงป่วยครับบ้านผมเลี้ยงป่วยป่วยเป็นบ้านผม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 มันสุกอันเพราะว่ามันสุกแดบดบนอนอยู่วันหนาวๆครับแดบดบนอนอยู่วันหนาวๆอันคนเปน็นนางหลักหูหลับตาอยู่นะก็คือกันครับผมเข้าใจอย่างสิครับตอนนั้นผมรู้จักอย่างสิคือผมเปน็นนางครับนางคนสงบเนี่ยผมว่าผมผูกต้องจริงๆเลยครับไอทไี่ว่าคะแนะกระโบเซอร์ผมว่าคนอู้สบายบ้าแต่สู้อารมณ์ข้างนอกมันจะสู้บอดาครับอันเมื่อนั่งอยู่ให้สงบจริงๆครับบ้าแต่เถือ่อนคนว่าให้ อย่างการะมาเกิดโกรธกันเลยมัได้เบื้องความคิดนี่นะคะมันไปติดตัวความสุขคุณนะครับอย่าไปเบิ้งมันความสุขไปเดี๋ยวมาเบื้งความคิดพี่ครับเนี่ยอันเรื่องความโกรธความโลภความหลงนั้นมันดับเบบนี้ครับเขาลืมเบื่องเบิ้งนิสิเบื้งจิตเบิ้งใจลืมเบงสอซื้อนี่นะครับเขาไปติดความสงบคุณนะคะบ้านหามาเบิ่องโตมันนึกมันคิดได้เจ้าคนสงบมีกระต่างๆบมมีกระตามของมันแล้วครับพอมันสงบโยงซีครับมันเนี่ยมันสบายเนี่ยครับอันนี้แหละวาคนเป็นบ้ามันบู้จากบ้า คนปฏิคมสงบเราพู้จากคนสงบครับคือหนอนนี่ไงว่าครับนอนเนี่ยมันเชื่อว่าอันอาหารของมันอันมันน่อนเม็ดนั้นแล้วครับบเมนี้คนพู้จากอาหารน้อนเม็ดมันก็บอกินแล้วครับมันก็กินอาหารมันโดนน้บนเม็ดกินแล้วครับคนพู้จากคนสงบเยอะที่เป็นนั่งให้ง้างครับนั่งก็ได้บนั่งก็ได้มันก็สงบอยู่พี่แล้วบอกว่ามันบมีนด้ครับมันมาเห็นพี่ครับบดี๋ยไม่เป็นนั่งให้มันสงบจําสรัมครับอันเป็นนั่งสงบนั่งก็ดีอยู่กับบ้ว่าบาบริได้ครับ มันดีแบบนั้นดีแบบคนบุกหัจักครับดีแบบบุกหัจักแต่ะว่าอันคนสงบนี่มันจึงมีสองแบบครับสงบแบบมือนั้นสงบแบบบุกหัจักมิยังสงบแบบนึ้นนี่สงบแบบเห็นแจ้มแต่เอื้นมาส่งคือกันแล้วผมก็เลยว่าบุแม่นสงบอันเนี้มันเห็นแจ้มมันรู้จริงมันเข้าใจจริงผมก็เลยว่าจริงๆแล้วก็มันยังไม่คนสงบอยู่คือเก้านั่นแหละครับนี่มันเป็นอันที่ว่าให้ฟังการแก้เรื่องนิพจน์นิพจนานี่ให้เข้าใจจริงๆครับ ริพัฒนานะั่ะแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงริปัสนูนั่นจิตใจมันหูจักแต่เพียงว่าบนลงแต่บางคนยังทาซั่วได้ได้รับทาซัวได้อยู่ผมเห็นนะครับคนมาปฏิบัติธรรมจากผมนี่แหละครับแต่วก็บอกว่าคุณนั้นคุนี้เหรอครับผมเห็นผมเลิกได้จริงๆครับเรื่องคำมากเรื่องก๊อกยาเรื่องกินเหล้ากินยาให้มาอบายานิมกุลผมเลิกละได้จริงๆครับคนมาปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยมันรู้ครับรู้แล้วเวาได้ แต่มันสึกออกไปครับในเป็นภาพเป็นมีกับไปสุดยาคือเกลาไปกินเล้าคือเกลาครับอันนี้แหละผมก็เลยว่านี่อันคนเฮกซ์ชวนกันกับผมก็เลยถามมู่หลายคนนะครับอันไปกินของซัวซได้ดีมีผู้ใดเดาผมว่าแลวบางคนเขาจะเอาหู้จับผมนี็นเป็นหมาเนี่ยนะวะ่าผมว่าหมาเนี่มันห้าเอามาแล้วมันไปกินอีกตื้อแลอ้วคนที่มันบวกกินครับคนห้าเอามาห้าเอามาแล้วผู้ใดไปกินห้าตัวเองในพวกหมีครับผมก็เห็นครับที่หมาเนี่มันห้าเอามาแล้บ้านผมมันกลับคือไปกินห้างมาอีกตื้ คนเนี่ยคันหัวจักจริ ง, รงๆนะมันบุกคืนไปเฮ็ดครับผมจิว๋วเลิกละได้เด็ดขาดผมบวยเหตุแต่ผมสะท้องใจสะดุดใจครับนี่จังเหล่าคนเป็นวิปตะนุนี่สามารถกินเหล้าก็ได้สูบยาก็ได้เป็นอย่างนั้นมันถืออันน่นเป็นความสุขอยู่เนี่ยครับมันเป็นสมนเป็นมันมอลเป็ด จ, จะมันทาซั่วได้อันนี้แหละครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเดวก็พยายามเอาไปนึกไปคิดไปที่จะเหนาเอ็นครับเป็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วมันี่กัน